สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสีสิบสามเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สี่สิบแปดพี่น้องครับในวันนี้เรามาถึงโคองสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมจาร์ตั้งแต่ข้อที่สามสิบแปดจนถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่สี่สิบข้อที่สามสิบแปดถึงข้อที่สี่สิบพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอ็ด โปรดฟังพจนะของพระเจ้าแผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยเขาพปในจรไปในถิ่นธุรกันดารและตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามโพรงคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขายังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สําหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้น ที่นั่นครับคำว่าแผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นก็มีความหมายว่าพวกเขาเป็นคนล่อนเล่ยพาเนจรเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาลอยู่ตามภูเขาอยู่ตามถ้าตามโพงความหมายของพระคำพีตอนนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในโลกนะครับแต่เขาได้รับความทุกข์ยากลําบากมากนะครับคนเหล่านี้ทุกคนมีชื่อเสียงดีครับ และเขายังไม่ได้รับสิ่งที่โงงสัญญาไว้คำว่าชื่อเสียงดีนั้นภาษากรีกมาจากคำว่ามาตูเลโอซึ่งหมายถึงการให้การรับรองพูดง่ายๆก็คือว่าคนเหล่านี้นั้นได้ถูกรับรองนะครับเพราะเหตุความเชื่อของเขาเพราะเหตุพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อตรงนั้นทำให้เขานั้นผ่านนะครับ หมายความว่าถูกรับรองหรือมาเทรโอก็อาจจะแปลว่าพรนยานพนยานนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ทุกคนซึ่งเป็นพนยานโดยความเชื่อเขาเชื่ออะไรครับเขาเชื่อว่าพระสัญญานั้นจะเกิดขึ้นจริงและถามว่าพระสัญญานั้นเกี่ยวข้องกับใครหรือเหตุการณ์อะไรคำตอบก็คือพระสัญญานั้นเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูเสด็จมาครับ เพราะฉะนั้นพระเยซูในพระธรรมฮีบรูนี้จึงเป็นคำตอบของความเชื่อทั้งหลายทั้งมวลของบรรดาชนแห่งความเชื่อในอดีตพียงครับตรงนี้เองทำให้เราต้องกลับมาคิดชับว่าความเชื่อของคนเหล่า น, น, นั้นเป็นความเชื่อที่มีคุณค่าสูงยิ่งนักความเชื่อของคนเหล่านั้นเป็นคนเป็นความเชื่อที่มีคุณค่าสูงยิ่งนัก แม้ว่าเขาจะไม่เห็นก็ตามสี่งต่างที่ยังมาไม่ถึงก็ตามแต่เขายังมีความเชื่ออยู่คำถามของผมก็คือว่าในสมัยของเรานั้นเรารู้ว่าพระเยซูเสด็จมาเรียบร้อยแล้วเราได้ยินข่าวประเสริฐเราได้ยินพระกิติคุณของพระเยซูคริสถามว่าทำไม คนบางคนในพวกเราจึงยังไม่ได้เชื่อเช่นนี้หรือคนในครอบครัวของเราจึงไม่ได้เชื่อเช่นนี้พี่น้องครับเห็นคุณค่าน้ำหนักของความเชื่อของคนในสมัยโบราณไหมครับคนเหล่านี้จึงถูกนับว่าเป็นบรรพบรุษแห่งความเชื่อเพราะอะไรครับเพราะของที่ยังมาไม่ถึงเขายังเชื่อแต่สำหรับเราแล้วของมาถึงแล้วเหตุการณ์มาถึงแล้ว บุคคลที่รอคอยมาถึงแล้วบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคํำพยากรณ์มาถึงแล้วแต่บางคนของพวกเรานั้นยังไม่เชื่อเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับเราจะต่อไปในข้อที่สี่สิบซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเฟิงพี่บอกว่าพระเจ้านั้นทรงเตรียมการอย่างดีกว่านะครับไว้สําหรับเราทั้งหลายเพื่อไม่ให้ให้เขาทั้งหลายถึงที่สําเร็จนอกจากเรา มีข้อหมายอครับหมายความว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นให้กับเขาเพื่อเขาจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเราพวกเรานั้นได้รับความสมบูรณ์ยังไงครับก็คือการที่พระเยซูได้ตรัสไว้บนไม้กางเขนเป็นคำตรัสประโยคสุดท้ายนะครับว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วนั้นมีความหมายว่าแผนการของพระเจ้าในการช่วยโลกให้รอดสําเร็จแล้วครับสําเร็จบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นพะสัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่เติมเต็มทำพยากรทั้งหลายทั้งปวงของผู้พยากรทุกทุกคนก่อนหน้านั้นเท่ากับถ้าเราเข้าใจพังพีตอนนี้อย่างดีแล้วก็จะเข้าใจว่าการที่พวกเรากับพวกเขาพวกเขาหมายถึงบรรพชนแห่งความเชื่อนะครับ เราจะได้สิ่งเดียวกันครับเราจะได้สิ่งเดียวกันก็คือแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับในข้อที่สิบห้าของบทที่สิบเอ็ดนี้นะครับเราอ่านแล้วเราจะรู้นะครับว่าแผ่นดินสวรรค์หรือเมืองสวรรค์นั้นเป็นความปรารถนาที่ทั้งเขาและทั้งเรานะครับอยากจะได้ไปถามว่าตรงนี้เราอยากไปเพราะอะไรครับ เพราะความเชื่อในพระเมสสิยานั่นเองเพราะเหตุนเนื่องจากว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นจะปกครองด้วยพระเมสสิยาเพราะฉะนั้นคนในสมัยโบราณเขาด้วยความเชื่อเขาเชื่อว่าเขาจะได้ไปเมืองสวรรค์ซึ่งปกครองด้วยพระเมสสิยาเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในยุค ข, ของพระคัมภีร์ใหม่ยุคคริสต์ จ, จักรเราทั้งหลายก็รู้ว่ามีอยู่นะครับในอนาคต เราจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเมสสิยาเช่นเดียวกันพี่น้องครับในที่สุดนะครับการรอคอยก็สำเร็จลงถ้าเราคิดถึงผู้ที่อยู่ในพระวิหารในสมัยที่พระเยซูเกิดในไปทัมรูกาก็าคือซิเมโอนซิเมโอนนั้นได้บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่คนในเพิ่งผีเดิมนั้นรอคอยและคำพยากรณ์ ในพระองค์ผีเดิมนั้นก็ได้สําเร็จแล้วแล้วซิมีเองก็บอกว่าเขานั้นเป็นคนที่มีพระพรมากเพราะเขาเห็นนะครับเห็นอนาคตเห็นความหวังของอิสราเอลเห็นอนาคตเห็นความหวังนะครับที่ได้พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ก็คือได้เห็นพระเยซูนั่นเองเพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นคําตอบของคําพยากรณ์ทุกอย่างพระเยซูเป็นคําตอบของพระสัญญาทุกข้อพระเยซูเป็นผู้ที่ พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อที่จะให้เกิดนะครับให้เกิดความสมบูรณ์ให้ความเชื่อของพวกเขาสมบูรณ์และทําให้ความเชื่อของพวกเราสมบูรณ์เช่นเดียวกันขอบพระเจ้าวอวยพรที่น้องทีละทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าในที่สุดแล้วเซนเตอร์หรือจุดศูนย์กลางของความรอดของความชอบธรรมของพระสัญญาอยู่ที่พระเยซูครับพระเยซูเป็นคําตอบ พระเยซูปเป็นคำสัญญาทั้งหลายพระเยซูปเป็นคำพยากรณ์ทุกๆคำพระเยซูปเป็นความหวังของคนในอดีตปัจจุบันและในอนาคตอาเมน